ก่อนก้มกราบแน่แทบเท้าท่านโนบอภิวัลลวงผู้มันภูริธาโตพระบูรพาอาจาริโยโนอบน้อมโมโนเถิดวันทาบูชายิงล้างอ่านดูข้อวัดประวัติผ่านมา แล้วยิ่งศรัทธาล้นใจจนเกินใครค้ามฟังใจไม่ลืมปราบลืมดื่มดำเมือนได้ฟังธรรมสมัยไกลสุดแห่งพุทธการลูกขอนำประวัติมาร้องใส่ถ้อยทำนองเพลงเป็นเพลงบรนเลงขับทาน แก่คนจนชันลูกหลานให้ประจากนายมากคนนิพพานอันอัศจรรย์ที่หลวงภูมันบำเพ็ญเพียรมา พร้อมน้อมนำจิตเชิดชูบูชาหลวงปู่ผู้ทรงธรรมตามองค์พระสัมมาพระสาจดาพระสันเพชรโพธิญาณกราบค า, า, า, ารวะสักการะหลวงปู่ผู้เปลื่งปราฉลาดรูเลิดล้ำกรรมฐานเป็นผู้ทรงตนในมรรคผลนิพพานแปล สี่0ันพระธรรมคันแจ้งใจลูกขอน้อมพร้อมคำกล่าวประวัติเรื่องราวออกมาคานไทยเพื่อเธอทูลทงอันอัมไพที่หลวงกูได้บำเพ็ญเพียรมาเป็นเครื่องยืดยันอันล่เลือสุดแสน ในไตรสิกขาผู้ใดเห็นธรรมย่อมเห็นพระศาสดาทภาคเพียรแก่กลาตามธรรมนพระอระหันต์จะไม่วางจากโลกมหาสิ่งว่ามุกจะไม่ห่างจางหายดังธรรมดํารัดพระผู้ทรงชัยที่ทรงตรัสไว้แก่พระนุน น, น้อมฟังไว้เถิดนาโอสาทุชนจะเกิดมาหามงคลล้นมากมีหลวงปู่มันท่านเกิดบ้านคำบงดังประวัติจัดน้ำลงช่วยบงชี้อำเภอโคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนหัวเปียของนางจันปิดาท่านนั้นชื่อว่าคำดุ ใส่สวงแนวแน่ไม่แปร่พันนามสกุลแก่นแก้วจงรู้กันมีหลักฐานยืนยันไม่พันแปรวันที่ยีสิบมกราลืมตาดูโลก24งสตามการลาโยกเปลี่ยนตามกระแสวันพาหรือหัสเดือนยีปีมะแม่ที่น้องรวมร่วมดวง าเข้มแข็งยิ่งล้ำประจําที่ใสฉเฉลียวฉลาดว่องไวไม่สับสนร่างเล็กผิวขาวแดงแกร่งในตนเรียบร้อยและอดทนเป็นคนดี สำนักคำบงไม่เบี่ยงเบนรมเย็นสุขีเรียนธรรมสูตรต่างๆตามครมพีรู้รวดเร็วเพราะมีความตั้งใจเพราะบรรพชามาได้เพียงสองปีจำใจจอนจากกูดีที่เคยอาศัยบิดามาขอร้องต้องศึกไปทั้งที่ใจไม่อยากศึกหนึ่ง แต่กายส่วนใจไม่อยากสึกยังคงนึกเสียได้ใฝ่ใจถึงเพจรหมจารยร์บัะทิตยัยงติดตรึงให้กันหนึ่งแยมเยื่นไม่เลื่อนลาพออายุยี่สิบสองเฝ้าตรองตรึกศรัทธาอ้วนหวอนพนึกแน่นหนักนาเขากราบเท้าทั้งบิดโนและมารดา ขอบวชตามศรัท ธ, ธาที่เต็มสวงทั้งสองท่านปรานียินดียิ่งช่วยจัดการทุกสิ่งจนล้ลวงทั้งอัฐากริธานการทั้งผวงไม่เกาะเกี่ยวเหนียวหน่วงให้สวงพระวง สองมิถุนายนสองสี่สามหกคุณแผ่ปกงกลือไม่ลืมลงเอสาหังดังตั้งเจ็ดกำเร็จลงรองภากาสาวพัดรงทรงศิลาปวดที่โบสถ์วัด ส, สีทองในเมืองบน กรายถวายตนสืบศาสนาท่านพระอริยกวีเป็นอุปชาท่านพระครูศีธาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณอีกองหนึ่งซึ่งเกือกูลหนุนประสาน ร, รับเป็นพระอนันสาวานาจารย์ได้ฉายานามท่านอริทา